ต่อไปข้อ5สัตมีวิพัฒน์ข้อ5้สัตมีวิพัฒน์ในอัตกรรมะกรรมะเนี่ยแปลว่าซึ่งสัตมีวิพั์แปลว่าซึ่งดูตัวอย่างข้อ1ภิกขุสุอภิวาเทนติใครก็ตามหลายคนนั่นแหละอภิวาเทนติย่อมไหวย่อมไหวภิกขุสุซึ่งภิกษุทั้งหลาย แปลว่าซึ่งภิกษุทั้งหลายไม่ได้แปลว่าในภิกษุทั้งหลายเดีย๋ยวจะกลายเป็นหว้ายในภิกษุวหายซึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นไหมตัวภกหูสูนี่เป็นสัตตมีวิพัฒน์พหูพจน์ให้แปลเป็นทุติยาวิพัตน์พหูพจน์ซึ่งภิกษุทั้งหลายข้อสองมุะนิจุมพิตตว่าจุมพิตตวาแปลว่าจูบจูบแล้ว หรือแปลทับศัพท์ว่าจุมพิษแล้วนี่แหละภาษาไทยก็ใช้ว่าจุมพิษจุมพิษตวาจุมพิษแล้วมุทะนิเป็นสัตมีวิพัฒน์เห็นนิเนี่ยคือสมิงเป็นนิเหมือนกับคําว่าพรามมณิทันดีนิเคยเห็นไหมเราเรียนมาแล้วในไวยากรณ์สมิงเป็นนิมุทะแปลว่าศีสระนะมุทะในแปลว่าศีสระนิมาจากสมิงวิพัฒน์เป็นนิ เป็นสัตตมีวิพัตแปลว่าซึ่งมุทธนิจึงแปลว่าซึ่งศีรษะมุทนิจุมพิตะวาจูบซึ่งศีรษะถ้าภาษาไทยก็จูบที่ศีรษะนี้ก็มีแต่บาลีท่านให้แปลเป็นทุติยาเห็นสัตตมีแต่แปลเป็นทุติยาข้อสปุงฤทิสัสธะพาหาสุขเหตุตวาปุงฤทิสัสธะของบุรุษพาหาสุ พาหาเนี่ยแปลว่าแขนสุเป็นสัตตมีวิพัตแปลเป็นทุติยาพหูพ์พาหาสุแปลว่าซึ่งแขนทั้งหลายขเหตตวาแปลว่าจับแล้วปุริสัทสพาหาสุขเหตตวาจับแล้วซึ่งแขนทั้งหลายของบุรุษจับแขนทั้งหลายคือจับสองแขนนั่นแหละมีแค่สองแขนก็คือจับผูกมือไขว้หลัง ไปโบยไปตีเหมือนเหมือนจับโจรอะไจะจับสองมือจับสองแขนเท่านี้แหละแปลเลยพิกขูสุอพิวาเทนติย่อมวายซึ่งพิกสุทั้งหลายมุธานิจุมพิตวาจูบแล้วที่ซึ่งศีสะภูงริษัสสะพาหาสุขเหต จับแล้วซึ่งแขนทั้งหลายของบุญรุษอืมถ้าแปลใช้กรรมเลยก็ได้ครับแต่ถ้าถ้ามันเป็นสัตมีเนี่ยให้แปลเป็นกรคำเพราะว่าธาตุมันเรียกหาก ร, รคำเขาไม่เรียกหาสัตมีเมื่อธาต์เรียกหากรรมทําไมไม่ลงทุติยาเลยทําไมไมาลงสัตตมีใช่ไหมนั่นสิว่าอันนี้เป็นสํานวนครับเป็นโวหารถ้าใช้ทุติยาไม่ไม่เพราะนะลองดูสิครับพิกขุงอภิวาเทนติ ไหว้ซึ่งภิกษุหรือภิกข u ภิกข u อภิวาเทนติถ้าใส่ภิกข u เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าภิกขนว่าภิกษุทั้งหลายภิวาเทนติย่อมไหว้เห็นไหมครับมันจะแปลว่าซึ่งมันยากเพราะภิกข u เนี่ยเป็นผู้หูพจน์ใช่ไหมเอาสูออกดูสิเราก็จะไปไปว่าภิกษุเนี่ยไหว้ไม่ใช่ไหว้ซึ่งภิกษุมันสงสัยได้ก็เลยเป็นภิกข u สุมุทเนียก็เหมือนกันครับ เพราะว่าจุมพิตตวะเนี่ยเขาเรียกหากรรมแม้จะลงสัตมีพิพัตน์แต่ก็ว่าให้แปลเป็นคํามขเหตุตวาก็เหมือนกันข้าหาธาตเนี่ยเรียกหากรรมจับซึ่งถือซึ่งไม่ได้แปลว่าจับในครับไม่ได้แปลว่าจับที่จับซึ่งนั่นก็เลยแม้จะลงวิพัฒน์ไหนก็ช่างแต่ต้องแปลเป็นทุติยาไม่เฉพาะสัตมีนะวิพัตน์อื่นก็เหมือนกันถ้าลงชาติีก็จะแปลเป็นทุติยาตัวไวยากรณ์บาลีท่านกําหนดไว้เลย ตบาลีเลยตัวบาลีทั้งําหนดถ้าเห็นวิพัฒน์นี้ให้แปลเป็นวิพัฒน์นี้ทําไมไม่ใส่วิพัฒน์นั้นเลยเพราะถ้าใส่วิพัฒน์นั้นแล้วเนี่ยมันจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้อีกมันมันมันมันไม่นิ่งเดี๋ยวแปลอย่างโน้นแปลอย่างนี้ไปอีกอย่างเช่นมุตทณิมุทะเนี่ยนะถ้าไปใส่มุทังหรือใส่มุทอะไรอ่ะมุทเท่เนี่ยก็จะกลายเป็นความหมายอื่นไปอีกอ๋อเราทำอย่างนั้นเลยก็ได้ อย่างที่ปฐมมาบอกเนี่ยสมมุติว่าอย่างอย่างอย่างกรณีข้อหนึ่งเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเอาตามเนี่ยนะเราจะแปลว่าว่ายซึ่งภิกษุสงฆ์หลายเอาเขาว่าซึ่งภิกษุสงฆ์หลายเป็นทุติยาอ่าเป็นทุติยาวิพัตน์เลยไม่ต้องใส่สัตตมีเนี่ยนะรูปจะเป็นพิกขูรูปจะเป็นพิกคูดังนั้นจะทําให้สงสัยได้ว่าใครไหวภิกษุหรือว่าภิกษุไหว้ใครเพราะพิกขูเนี่ยถือว่ามันตรงกันกับปฐมาวิพัตน์แปลว่าพิกขูภิกษุสงฆ์หลายพิวาเทนติย่อมไหว้ก็ได้ จะทําให้สงสัยได้นั้นก็เลยหลีกเลี่ยงเอาใส่วิพัตน์อื่นวิพัฒน์ไหนที่มันสามารถจะมาแปลเป็นทุดียาวิพัตน์ได้ก็ไปใส่วิพัตน์พวกนั้นนะมันแปลเป็นทุดิยาได้เหมือนกัน <laughs> คือประโยคบาลีเนี่ยนะถ้าใส่ประธานที่มันชัดเลยมันก็ชัดแต่ถ้ามันไม่ชัดนะมันก็จะไม่ชัดเอาสมมติว่าเราไม่ใส่พิคูลนะเราใส่พิกษุณีไหวพิคสุอ่ะก็เป็นพิกคุนีพิกขูอภิวาเทนติทีนี้ใครไหวใครเอา ก็ไม่รู้อีกว่าใครไหว้ใครอีกใช่ไหมไม่รู้พิกษุไหว้พิษุนีหรือพิกษุนีไหว้พิษุเพราะรูปมันเหมือนกันใช่ใช่ใช่นั้นก็เลยเมื่อห ล, ล, ลีกเลี่ยงไปว่าเมื่อ ม, มันเมื่อ ม, มันไม่ชัดก็ต้องเอาตัวไหนก็ได้ที่มันสามารถแปลเป็นกรรมได้อวีปัสอื่นะทีันแปลเป็นกรรมได้ก็เลยลงวีปัสอื่นเอา